ทวนมาใหม่นะว่าท่านมีเนคข ม, มัตยาสัยมีอัธยาสัยโดยการออกจากเช่นมีอัธยาศัยที่จะออกจากอบายเป็นต้นโดยส่วนเดียวทีนี้ขณะต่อไปท่านมีวิเวกัทยาสัยอันนอัธยาศัยของท่านเป็นผู้ที่น้อมไปเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกมีไหมกายวิเวกมีไหมถ้าไปดูเด็กสักสองสามพันคนอยู่รวมกันเนี่ยนะหมาอยากอยากมีกายวิเวกเลยใช่ไหม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 วัฏฏะโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นว่าวัฏฏะเนี่ยนะถึงจะอะไรนะพบถึงจะประเสริฐแค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงเป็นที่สุดจะเกิดในเรียกว่าจะได้สิ่งใดที่ประณีตที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็มีความสลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็อย่างว่าความงามก็มีความไม่งามเป็นที่สุดนะดอกไม้ที่มาเคยชอบดอกไม้ประเภทหนึ่งไม่บอกชื่อห้ยเราก็บอกว่าอุ๊ยทําไมดอกไม้นี้มันงามมาก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 มั่นคงไหมก็ไม่มีเพาราะอัธยาศายายัยเขาบอกว่าสิ่งใดที่เขาเรียกว่าดีแต่สิ่งนั้นก็มีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดอย่างแม้กระทั่งฌานในจิตทั้งหลายบอกว่าดีไหมดีแต่ถ้าวัตถุและอารมณ์แปรป라ฌานทั้งหลายจะดํารงอยู่ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะฌานทั้งหลายก็ต้องเกิดโดยอาศัยวิบากกับกรรมชโรธถ้าฌานในในรูปประพบทั่ว ท, ว ท, วทวไปต้องอาศัยวัตถุแล้ววัตถุยั่งยืนไหมเมื <ME> ่อวัตถุไม่ยั่งยืนแล้วฌานจะมั่นคงไหม เป็นต้นก็เห็นถึงความไม่มั่นคงของฌานทั้งหลายนั้นอัธยาศัยจึงน้อมไปเพื่อจะออกจากกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏโดยส่วนเดียวเพราะเห็นพิษภัยทุกโทษของกรรมวิบากและกิเลสทั้งหลายนั้นอัธยาศัยของพระองค์จึงเป็นนะ น, น, นาสาิสรณัธยาศัยสรุปว่าอัธยาศัย61อะโลพธย า, ายศัยสองอโทสัธยาศัยสอะโมหัธยาศัยส เนคคำมัธยาศัยหวิเวกัตทยาสัยหนิสรณัตทยาสัยเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าอโลพทะยาศัยอโลพะอะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าศัตรูเนี่ยนะเพราะนั้นอะโลพา t h i จึงเป็นศัตรูข่าศึกของโลพาอโทสะเป็นข่าศึกศัตรูของโทสะอโมหะเป็นข่าศึกศัตรูของโมหะเพราะนั้นแสดงว่าโดยปกติพื้นฐานแล้วอัตยาศัยเพื่อกําจัด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 เาเเป็นเป็นตถาคตเลยเป็นคำที่มาใช้แทนคำว่าตถาคตเลยก็คือเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยนเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยปกติเนี่ยหมายความว่าถ้าท่านจะข้ามทุกใดทุกหนึ่งท่านก็บอกว่าเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยวิมุตคือเราหลุดพ้นแล้วด้วยวิมุตทั้งห้าเราก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นจะด้วยวิมุตทั้งห้าตามด้วย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 ไม่ใช่เป็นของผู้ไม่มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ปรารถนานิพพานต้องการนิพพานไม่ใช่ต้องการสังขารเนี่ยนะตัวนี้ครั้งเครว่ามหาปริสวิตตก8ประการหนึ่งมักน้อยสองสันโดดสามไม่คลุกคลีสี่ปรารบความเพียรห้าสติหสมาธิเจปัญญาสุดท้ายปรารถนานิพพานเนี่ยนะ ก็จริงๆย่อลงมานะสิ่งเหล่านี้ก็คืออินรี่ห้าย่อลงมาอีกก็เหลือสัจจะสองคือนิโรธสัจจะกับมัคสัจจะนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วท่านตรึกเพื่อนิโรธสัจจะกับเพื่อมัคสัจจะเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นความตรึกของท่านท่านตึกอยู่ใน8ปประการนี่แหละโดยรวมๆของท่านสิ่งที่ท่านนึกสิ่งที่ท่านคิดอยู่เสมอเป็นชีวิตจิตใจของท่านคือ คิดถึงเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีใจตั้งมั่นมีปัญญาน้อมไปเพื่อพระนิพพานอันนี้เรียกว่าทำแก่ประการส่วนคุณธรรม9ประการของพระองค์คือพระองค์เป็นผู้ที่สร้างฐานสร้างฐานอะไรนะทำมีโยนิโสเป็นมูลเกคือทุกอย่างพระองค์ต้องโยนิโสมรสิการได้หมดโยนิโสทุกประการทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกทวารเพื่อ โยนิโสเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปรามโมทเป็นเหตุให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัตปัสสัท t h ทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานทัศนะยะถาภูตยานทัศนะเพื่อนิพิทานิพิทาเพื่อวิราคะทว น, นอนีกครั้งหนึ่งโยนิโสสองปรามโมทสามปีติสี่ปัสสัตธิ 5้าสุขหสมาธิเจยถาภูตยานัศนะ8ดนิพถาเก้าวิราคาันกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9เพราะฉะนั้นท่านต้องโยนิโสมนสิการในทุกหนทุกแห่งทุกทวารทุกอารมณ์ที่เรียกว่าสร้างฐานให้แก่ตัวเองตลอดเวลาสร้างฐานคือโยนิโสมนสิการเพื่อกุณธรรมคือโลกุตระธรรมต้องมองแบบอะไรนะ เคยเห็นการก่อสร้างเจดีองค์ใหญ่ๆไหมเจดีใหญ่ๆเลยนะเท่าเช่นเจดีนคนปรปฐมเนี่ยนะเจดี JD เหล่านั้นเกิดจากอะไร mm hmm. ก็เกิดจากทรายเม็ดเล็ ก, ลกๆนั้นอะ่ะมากองรวมๆกันนี่แหละจนกว่าจะได้เป็นเจดีชั้นสูงชั้นใดทั้นฐานการวางทรายแต่ละเม็ดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อยอดเจดีเนี่ย น, นะเพื่อยอดเจดีพันทรายทุกเม็ดชั้นใดพันมองทรายทุกเม็ดเป็นเหมือนกับโยนิโสมนสัสการมุ่งเพิ่มพูนเพื่อความ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 อันนี้เรียกว่าคุณธรรมหมวด9ของพระองค์ส่วนคุณธรรมหมวด10ก็คือมีอัธยาศัยในกุศลกรรมบท10มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุสิบแล้วก็มีอัธยาศาัยในบารมีสิบเนี่ยนะเพระพระองค์เนี่ยอยู่ณนะที่ใดพบใดก็มุ่งไปเพื่อจะเจริญกุศลกรรมบท10วิธีคิดของพระพุทธศาสนเนี่ยนะคิดว่าทำยังไงที่จะไม่ฆ่าคิดทำยังไงจะไม่รักทำยังไงจะไม่ ประพฤติผิดในกามทำยังไงไม่ต้องเป็นคำเทศทำยังไงจะได้คนจะได้ไม่ส่อเสียจะได้สมักสมานสามัคคีกันทำยังไงคำเหล่านั้นจะไม่เป็นคำที่หยาบทำยังไงจะเป็นไปเพื่อพูดถ้อยคำที่มีประโยชน์น้อมไปเพื่ออภิชาอนะพิชาอัพยาบาศและสัมมาทิฏฐิมั้นโดยรวมๆพื้นฐานอัธยาศัยก็อยู่ในกุศลกรรมบท10ประการหรือในที่ทุกแห่งก็น้อมไปเพื่อบุญยกิริยวัตถุสิ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 หกระต่าย2ลิงสสุนัขก้งจอกแล้วก็4นาคนาคเนี่ยนะนาคก็คือนาคกลุ่มคล้ายคชมดอ่ะนะคล้ายคเป็นนาคคล้ายคกลุ่มแมวน้ำอ่ะนะคล้ายคแบบนั้นอ่ะมีนามีเพื่อนเหล่านั้นขนาดนั้นก็ยังสอนเพื่อนนะกิริเยกาลยาณะปาปเกสอนเพื่อนให้รู้จักเพื่อนเนี่ยสอนเพื่อนให้เว้นบาปแล้วก็สอนเพื่อนให้ประพฤติในบุญ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 ประโยชน์ประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าเป็นต้นแล้วก็เพื่อนทั้งหลายจงเจริญอนาพิชาเพื่อนทั้งหลายอย่าพยาบาทเพื่อนทั้งหลายก็จงดำรงมั่นอยู่ในสมัมมาทิฏฐิก็สอนเพื่อนให้ออกจากอากุศลกรรมมาบท10ประการเพราะว่าอากุศลกรรมมาบท10ประการที่ล่วงแล้วกรรมเหล่านี้ให้ผลเดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในชาติหน้า<ม>แล้วก็เดือดร้อนอีกหลายชาติต่อๆไปเพือพ่อนทั้งหลาย กาลยานีอภินิวิสธ า, านะท่านบอกว่าจงปฏิบัติในกาลยาณกรรมเนี่ยอภินิเวศเนี่ยนะถ้าเป็นที่อื่นนี่แปลว่ายุตเลยนะอภินิเวศเนี่ยนะแปลว่าการยุตเพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งหลายจงวุดจงยึดมั่นปฏิบัติถืออยู่ในคุณงามความดีจงยึดมั่นในทานจงยึดมั่นใน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 ในเดรัฉานอย่างนี้ก็เป็นผู้มี ก, ก็เป็นการยาณมิตรทําตัวเป็นการยาณมิตรแนะนําสั่งสอนโอวา่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เพื่อนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะท่านมีญาณนะสัมภาระใช่ไหมท่านมีญาณนะสัมภาระนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าหมวดหนึ่งคือกรุณาหมวดสองคือบุญและ ยานหมวด3คือสุจริต3มหมวด4คืออธิฐานธรรม4ี่พุทธภูมิ4หมวดหคือเจริญอินสี่ห้าหมวด6ก็คือมีอัธยาศัย6หมวดเท่านมีปฏิญญาเหมวด8ท่านมีมหาปริสวิตตก8หมวดเก้าหมวด8คือมหาปริสวิตก8หมวด9คือท่านมีโยนิโสมรัสิการเป็นมูล9หมวด10ท่านมีกุศลกรรมบท10มี บุญยักกิริยาวัตถุสิบแล้วก็มีบารมีอีกสิบประการไอความที่ท่านสั่งสมคุณงามความดีโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยปัญญาท่านจึงเกิดเป็นเดราชานก็สามารถที่จะให้อวาทแก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนั้นแนหะตามกาลเวลาสัตว์ทั้งสามเหล่านั้นรับโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อการผ่านไปอย่างนี้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 จงตะเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แกทักขินายบุคคลครั้นให้ทานแกทักขินายบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถนะนีเรียกว่าสอนวิธีการปฏิบัติในวันอุโบสถเลยนะทานานิปฏิยาเทถะท่านทั้งหลายจงเตรียมทานทั้งหลายไว้เถิดอุปวสถะคือจงทำอุโบสถคือจงรักษาอุโบสถนะนีถามว่าทำไมจึงให้รักษาอุโบสถเพราะการตั้งอยู่ในศีลแล้วให้ทาน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 สูตรกลิ่นปลาแล้วก็คุ้ยซายเห็นปลานั้นก็ออกมาประกาศ3าครั้งว่าปลาเหล่านี้มีเจ้าของไหมนั้นมีเจ้าของไหมมีเจ้าของไหมเมื่อไม่เห็นเจ้าของก็คาบที่เถาวั น, นี่แหละวางไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรอย่างนี้แล้วก็นอนนึกถึงศีลของตนเพะวันนั้นเป็นวันอุโบสถเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนาที่ฉลาดตั้งอยู่ในอวาตของพยากระตาย แมสุนัขจริงจอกก็เที่ยวหาอาหารเห็นเนื้อย่างสองชิ้นเฮียอีกตัวหนึ่งนะก็คือเรียกว่ากลุ่มตะกรวดนะตะกรวดตะกรวดย่างอีกตัวหนึ่งหม้อนมส้มอีกหม้อหนึ่งที่กระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งตะการสามครั้งว่าอาหารเหล่านี้มีเจ้าของไหมคันไม่เห็นเจ้าของก็เอาเชือกผูกที่หม้อนมส้มคล้องคอคาบเนื้อย่างแล้วก็ตะกรวดที่วางไว้ที่พุ่มไม้ในที่อยู่ของตอนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควร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 ก็นึ้ถึงยาจกคือผู้ขอผู้สแสวงหารคิดว่าจะมีใครมาไหมเนอะบัดนี้เราสมาทานศีลแล้วก็น้อมไปเพื่อที่จะให้ทานดังที่พระองค์ตรัสว่าสหายเหล่านั้นรับคำของเราว่าสาธุแล้วก็ได้ตระเตรียมทานต่างๆตามสติกำลังแล้วสแสวงหาทักขินายบุคคลฝ่ายพระโพธิสัตว์ออกในเวลาอันสมควรคิดว่าเราจะกินยา มีหญ้าแพรกเป็นต้นนอนที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเมื่อยาจกทั้งหลายมาหาเราเราก็ไม่อาจาอะอาจะกินหญ้าได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะให้หญ้าเป็นอาหารได้นใครมาขอแล้วอะไรนะตัดหญ้าให้เขาเลยเขาเอาไปทำอะไรหญ้าเรานี่ไม่มีแม้แต่งาไม่มีแม้แต่ข้าวสารหากยาจกมาหาเราเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้า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 ก็แปลว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะวิจารณ์ในแง่ความไม่เชื่อก็ไปวิจารณ์เรื่องอื่นไปก่อนวิจารณการบ้านการเมืองอะไรก็ได้อ่าหนังสือพิมพ์มาถกอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วิจารณ์พุทธพจน์เพราะถ้าวิจารณ์ด้วยจิตใจที่ดูหมิน่นแล้วก็ลบลูมิดฉาวาจาอันนั้นนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะก็มีโยมบางคนเนี่ยนะที่มิดฉาวาจาเนี่ยนะวิจารณ์คําสอนพระพุทธเจ้าอยู่ไม่นานเนี่ยเป็นอมตะพฤกไปเลยเนี่ยนะเป็นอมตะพฤกอมตพาดไปเลย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 พันเราทําไม่ได้เราก็ปฏิเสธพระองค์ไม่ได้หรอกนะสรุปว่าพระองค์ได้เล่าให้ภาษาริบุตรฟังว่าเรานี่นอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักษินายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักษินายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานนะของเหล่านี้เราก็ไม่มีคืองานเราก็ไม่มีทั่วเคี้ยวก็ไม่มีถั่วเลื้ยงข้าวสารเปรียงแต่ละอย่างของเราเหล่านี้ก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยยา แต่เราก็ไม่อาจให้หญ้าได้ะนะไม่มีใครเอาญ่าเป็นทานหรอกราบนั้นถ้าทักษิณายะบุคคลมาสัก์ท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราพึงให้ตนของตนทักษิณายะบุคคลจักไม่ไปมือเปล่าบทว่าทัตชาหังส ก, กมัตตาหนังเราพึงให้ตนของตนอธิบายว่า ประโยชน์อะไรที่เราจะมัวคิดถึงเรื่องไทยธรรมไม่มีประโยชน์หรอกมัวคิดว่างาของเราก็ไม่มีทั่วเขียวก็ไม่มีทั่วเหลืองก็ไม่มีข้าวสารก็มีเปรียงก็ไม่มีจะเอาอะไรให้เป็นทานดีว่างั้นโอ้ยไปคิดเสียเวลาว่างั้นร่างกายของเรานี่แหละเป็นของที่ไม่มีโทษเป็นของสมควรเป็นอาหารบริโภคของผู้อื่นขณะเดียวกันร่างกายของเรานี่หาได้ง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้ว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 ด้วยอนุภาพของความตรึกนั้นความคิดอันนี้ยิ่งใหญ่มากทําให้ปัรดุก ร, รมพลศิลาอาดของเท้าส ก, กะสแสดงอาการเร่าร้อนแข็งกระด้างขึ้นมาเท้าเธอรำพึงอยู่ว่ารำพึงอยู่ก็เห็นเหตุก็คิดว่าเราจะทดลองพยาการตายก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์อยู่ในที่อ่นะแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งเดินไปถึงที่อยู่ของนาคไปประทับยืนอยู่ก็ถามนาคว่า นนะเมื่อนาคถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมายืนอยู่เพื่ออะไรท้าวสักกะก็ตอบว่าหากเราได้อาหารสักอย่างเราจะรักษาอุโบสถบบำเพ็ญสมณธรรมนาคก็ตอบว่าสาธุเราจะให้อาหารแก่ท่านยังข้อความในชาดกพระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกนาคกล่าวว่าปลาตะเพียนของเรามีอยู่เจ็ดตัวเพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ําไว้บนบกท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีสิ่งนี้แล เชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดเนี่ยนะพราหมณ์ก็บอกว่าอ่ะรอไว้ก่อนจะรู้ในภายหลังเดี๋ยวตอนหลังค่อยว่ากันแล้วก็เข้าไปหาสุนักกิ่งเจอกเข้าไปหาลิงสัตว์เหล่านั้นก็ต้อนรับด้วยทยธรรมที่ตนมีอยู่เทา้าสกะก็บอกว่าจงรอก่อนดังที่พระองค์ตรัสว่าเนื้อย่างสองชิ้นเฮียหม้อนมส้มของคนเฝ้านานุน ون, ซึ่งข้าพเจ้านามาเป็นอาหารกลางคืนท่านพราหมณ์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 เหมือนอย่างนั้นเห็ น, หนก็คือบอกว่าอะไร